ยอดนักรบในสงครามพระพุทธพาสิทธิโยจะคาถาสตังพาเซอนาถปะร ะ, ะสั่นหิตยีตาเอกังธรรมะปะังเซโยยังสุดตัวอุปสัมมติโยสหสัสสร้างสหสนนะัสเซนะสร้างคาเมมานุเซจิเนเอกังจะเฉยมัตตานางังสถียสร้างคามชุตตะโมแปลความว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อย แต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐบทแห่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบประงับได้ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันคือล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแหลชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามอธิบายความ ข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรมนี้มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรมคือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคำพีอังคุตรนิกายจตุ ก, กันิบาตพระไตรปิฎกเล่มยี่สิเอ็ดหน้าสามสิบเจ็ดทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณดิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่สีประการคือหนึ่งอนาภิชา กว่าไม่โลกของผู้อื่นสองอภยาบาทกว่าไม่ปองร้ายสามสัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐานสี่สสัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้งสี่ประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมอย่างธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคาเดียวก็ประเสริฐ คำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมกว่าว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่สองซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พรันาต่อไปกล่าวโดยย่ อ, อ ก, ก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลส ท, ที่ทำใจให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไป มีอำนาจครอบงาอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงาจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนาให้ทำความช่วยต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนาให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทาอะไรชัช่วควรเว้น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 ให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำ ม, มากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้แก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอกผลมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายตา่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่าง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 การชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชายชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักลบผู้ชนะฆ่าศรกได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาสิทธินี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบนางคุณทนเกสีมีเรื่องย่อดังนี้คุณทนเกสีเป็นธิดาเศรษฐีเมืองราชฤก์ รูปงามมากขณะที่มีอายุได้สิบหกสิบเจดปีกำลังมีใจโลเลไฟฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดได้เห็นราชบุรุษนำโจรคนหนึ่งผ่านหน้าปราสาทมาโจรนั้นถูกเขี่ยนในหวายครั้งละสี่เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ขาดที่ดาเษธีเห็นแล้วมีจิตปฏิพัตปราศนาไดโจรนั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหาร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 มารดาวิดาก็ยอมแพ้ให้คนเอาเงินพันหนึ่งไปซื้อโจรนั้นมาจากราชบุรุษราชบุรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจรนั้นไปแล้วค่าคนอื่นแทนเมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนนิบัติอย่างดีให้อาหารอย่างดีเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงกระนั้นโจรก็คงเป็นโจรนิสัยอันลามกของคนมิใช่จะชำระล้าง ได้โดยง่ายเหมือนล้างผักหรือปลามันเกาะแน่นและคอยจะกระตุ้นเร่งเราให้น้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมออุปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะ แ, แก้อย่างไรก็ยาก ด, ดังนั้นโดยล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นโจรคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสฆ่ายิงนี้เสียแล้วยึดเอาเครื่องประดับไปขายกิน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 โจรคิดวางแผนฆ่าธิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้จึงทานอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตธิดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่าเมื่อ ว, วันที่ฉันถูกนำไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาได้บนบานต่อเทพผู้สิงสถิตยอยู่หน้าภูเขาลูกนั้นว่าหากฉันรอดชีวิตมาได้จะทำพรีกรรมแกเทพใหโอฬานอห น, นึง่ง แม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอนุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพรีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพยังไม่ได้แก่บนนั้นฉันไม่สบายใจทิดาเศรษฐีจึงเตรียมพรีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมัทุปายาตและค่าดอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นซึ่งชื่อว่าภูเขาทิ้งโจร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 ทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจรเพราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนําไปทิ้งที่ภูเขานั้นเป็นโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถึงยอดเขานางได้อ่อนวอนให้สามีทําพลีกรรมถึงสองครั้งแต่โจรก็เฉยเสียเพราะครั้งที่สามโจรจึงบอกว่าฉันนําเธอมาที่นี้เพื่อทําพรีกรรมก็หาไม่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 ท่านเอาเครื่องประดับไปห้หมดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือเธอคิดว่าฉันโง่นักหรือแม่โสมงามฉันปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็จะต้องถูกจับไปฆ่าอีกคราวนี้เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมาอีกหรอกท่านประเด็นนึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรอท่านจึงยืนยันแต่จะฆ่าฉันพูดไปแล้ว นางต้องที่สวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงกล้องฟ้าแทนการรึกถึงความดีของนางเขาวหวเราะเยาะเยะ้ยความดีน้ำจิตน้ำใจโจรทูลคำพร้อมด้วยอาการหัวรเราะอย่างเย้ยหยันเสียงนั้นเสียดลึกลงไปหัวใจอันบอบบางของธิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อฉันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใช่เพื่อความสุขของฉันไม่เธอจะตายถ้าไม่ได้ฉันความสุขที่ฉันให้แกเธอยังไม่คุ้มค่างเงินของเธออีกหรือ เขาเห็นทิดาเศรษฐีเป็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยรังแต่จะถูกยามหยันเธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียจนเปลี่ยนตายฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีบเปลืองอภรรย อ, ออกเถิดอย่าฟิรีฟิลายอยู่เลยโจรพูดต่อไป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 การที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหวท่านทั้งสี่ด้านคือเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตามยืนทำงานอยู่บนเงื่อมผาที่ทิ้งโจร น, นางทำประทักษิณคือเวียนกว่าแสดงความเคารพสามรอบและไหวทั้งสี่ด้าน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 ชายจะฉลาดในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันทิดาเศษรษฐีปลักโจรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามีเมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสียแล้วท่านก็จะดูด่าเราว่าหัวดือ้อห้ามทรยไม่ฟังพอใจสมาคมขับโจร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 เมื่อบวชแล้วได้ถามปริพาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่านปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสินสิทธิ์แล้วทาฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทะพันหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งคารบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทะพันหนึ่งเมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริพาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่า นางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะพันหนึ่งจบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีปแสวงหาผู้ที่สามารถโตพพ้ตอบปัญหากับท่านได้หาผู้นั้นเป็นคลือหักก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นสิทธิ์บวชในสำนักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิ่งว่าให้ถือเป็นสั ญ, ญลักษณ์นางจึงได น, นามว่าชัมพูปริภาชิกา นางได้เที่ยวไปในบ้านตนําบลนิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็นแต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชัมพู ป, ปริภาชิกามาแล้วก็เรียงหนีเมื่อไปถึงตำบลใดนางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่าใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ เยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิกจารณาในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้ตอบปัญหาไม่ได้มีเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิงว่าอื่นถือเป็นสัญลักษณ์ต่อไปนางทําอยู่อย่างนี้จนลุกถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับปักกิ่งว่าไวหน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่พระสารีบุตรเที่ยวบินธบัตในเมือง ฉันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความแล้วสั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านเด็กพวกนั้นเชื่อพระเถระจึงเหยียบแล้วโห่ร้องโปรยธุรีเป็นที่สนุกสนานชัมผูปริภาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่นาทีของตนทำไมจึงเหยียบกิงว่าพวกเด็กบอกว่าภษารีบทใช้ให้ท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 จากได้มีคนไปฟังการโต้อตอบปัญหาครั้งนี้มากทั่วเมืองสาวัตถีหรือกระชอนพอเวลาบ่ายชาวเมืองได้ไปกับนางชัมผูปริภาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับปาทะาพันหนึ่งหรือเป็นบาลีว่าสหัสวาัฏากับพระเถระพระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริภาชกมาก่อนเหมือนกัน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 ขอให้พระเถระเฉลยพระเถระจึงเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้า บ, บางถ้าท่านโบวถ์ก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบว ถ, ถ์เถิดพระเถระให้นางโบวถในสำนักของภิษุณีทั้งหลายนางได้นามว่าคุณทนเกสีเถรีได้บรรลุพระอรหันตผลโดยเวลาล่วงไปสองสวันเท่านั้น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 พวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ทั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะโจรภายในคือกิเลสนั้นแหะชื่อว่าชนะแท้พระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึง ผู้ได้ชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีนยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น